พระธรรมเทศนาแผ่นที่ห้าสิบเจ็ดลำดับที่สิบเอ็ดโดยหลวงพ่ออินถวายสันตุสโกวัดป่านาคำน้อยจังหวัดอุดรธานีสแสดงธรรมเมื่อวันที่สิบเจ็ดพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยห้าสิบหกมีชื่อเรื่องว่าทำงานเพื่อบูชาคุณวันนี้เป็นวัน ที่17พุทธจิกายนพุทธศักราช2556วันนี้เป็นวันเดือน12เพนเป็นวันสิ้นปีของพุทธศักราช2556ทางจันทรคติพวกเราได้ลงอุโบสถจบลงสักครู่นี้ได้ฟังพระปฏิโมกข์แล้วก็ ในช่วงนี้ผมเตือนกับหมู่พวกเพื่อนเมื่อเช้าผมเองก็อยากจะย้าให้หมู่พวกเพื่อนทุกอง์ในช่วงนี้ถึงยังไงก็ให้ใหเข้มแข็งให้ดูดูเรื่องงานของหลวงปู่จามมหาปุญโยถึงใครได้ไปหรือไม่ได้ไปอันนั้นพวกเรามาพูดคุยกันอีกทีหลังถึงยังไง ว่าพวกเราได้อยู่ผมก็ไม่ได้ถือว่าให้หนักใจในการทํากิจวัตรขอวัดให้ปฏกวาติเท่านั้นเท่านี้เพียงแต่ให้รักษาบริเวณศาลาหรือว่าที่พักผ้าใสพอสมควรว่าพวกท่านทั้งหลายมีความสามารถที่จะบอกกับผู้สูงอายุหรือว่านักเรียนหรือว่าผู้ที่เกี่ยวข้อง มาช่วยปัดกวาดเป็นบางคล่างคราวอันนั้นก็ได้ไง ม, มันลกจนเกินไปพวกเราจะเดินไปที่ไหนก็ได้สะดวกแต่ผมก็ไม่ได้ถือไม่ได้ให้พวกเราหนักใจเพราะว่ามันงานช่วงนะั้นมันเป็นงานที่จะต้องช่วยกันดูอย่างสุดความสามารถทั้งกําลังกายทั้งกําลังใจ ทั้งกำลังทรัพย์สินภายในวัดของเราจะถูปัจจัยที่พวกเราได้มาพวกเราก็พร้อมที่จะทุ่มเทบูชาพระคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราไม่ได้ถือว่าสมบัติที่ได้มาเป็นของพวกเราที่เราได้อัดได้ทํามาเนี่ยได้พพ่อแม่ครูบาอาจารย์เป็นผู้ให้อัดให้ทำมาเมื่อเราได้อัดได้ทํามาแล้วเราก็ได้วางตัว ด้วยอัดด้วยรรมของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านแนะนําสั่งสอนนั้นอติเลกาลาบมันก็เกิดขึ้นมาพอเกิดขึ้นมากันเกิดในานามของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกิดในานามของพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพราะนั้นเราจะช่วยสงเคราะห์ไปทางไหนในแนวแถวของพระพุทธศาสนาในแนวแถวของพ่อแม่ครูบาอาจารย์มีความจําเป็น พวกเราก็คงจะได้ช่วยๆกันคิดล่ะข่าวนี่หนักหนาพอสมควรสำหรับผมเองผมก็วันหนักเพราะมันอยู่ในพื้นที่เราจะใช้ความเด็ดขาดทีเดียวก็ไม่น่าจะถูกต้องถ้าจะใช้ความอ่อนแอรหรือยังตามกระแสเกินไปก็ไม่น่าจะถูกต้องเพราะถ้ามันยากอยู่ที่จะดำเนินงาน เกี่ยวกับองค์หลวงอาคาวนี้นะแต่ที่ังไงยังไงก็อยู่ในวิสัยที่พวกเราจะต้องช่วยกันคิดแต่ภายในวัดของเราก็ผมได้บอกเมื่อเช้านี่แหละสิ่งของอะไรขอให้เก็บๆนะหยุดซะก่อนภายในวัดของเราเพราะว่าเวลาคนมาทำงานในวัดเหลือกับมาบรบกวนทางในครัว เอาหงอาหารจัดมูลจัดนี้แล้วก็พวกในครัวเขาก็จะตส่งไปทางนู้นอีกเป็นภาระธุระหนักภายในวัดไม่จําเป็นในวัดของเราไม่ต้อง เ, งเร่งรีบพออยู่พอเป็นพอไป พ, พอใช้เลยละ่ะเหลือเฟืออีกต่างหากในที่พักพาอาศัยเพราะนั้นเราไม่ต้องไม่ต้องคิดภายในวัดของเราเพียงพ อ, เ, อเพียงแต่ว่าประครับประคอง เทานั้นเองนนะแต่ขนาดประคับประคองก็ยังจะไม่อยู่อยู่แล้วเราจะไปคิดสร้างอะไรมากมายนักหนาแต่ถึงขาวนี้ถึงข้าวหยุดก็ต้องให้หยุดไว้ก่อนถึงขาวเดินผมก็จะบอกว่าเดินนะเดินก็เลยเดินด้วยด้วยเหตุด้วยผลหยุดก็ต้องหยุดด้วยเหตุด้วยผลไม่ใช่หยุดด้วยทิฏฐิมานะแล้วก็ทำไปด้วยทิฏฐิมานะด้วยความอยากอยากไปเพื่ออะไร ต้องการอะไรหวังอะไรผมก็เองถามตัวเองอยู่ตลอดแล้วก็ผมก็ถามมูอีกตลอดเหมือนกันเราบวชเข้ามาหวังอะไรต้องการอะไรพวกเราคงจะมีความมุ่งหวังอันเดียวกันเพื่อบูชาพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เพื่อบูชาพ่อแม่ครูบาอาจารย์เพื่อ ส, สแสวงหาทางพ้นทุกข์ ขอไม่มาเวียนไหวตายเกิดในวัตสงสารเป็นอนันตการอันนี้คือความมุ่งหวังมีความตั้งมั่นของพวกเราเพราะฉะนั้นผมเองก็เป็นผู้นําหมู่นําคณะนะสิ่งไหนที่จะเป็นเป็นสิริเป็นมงคลสิ่งไหนที่จะเกิดประโยชน์ต่อวัดวาศาสนาต่อพวกเราท่านทั้งหลาย ผมจะต้องพยายามทำสิ่งนั้นก็ดพูดทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดอย่างที่ผมได้ย้ำแล้วย้ำอีกนะขอให้หมู่พกเพื่อนทุกองเนะ์ทั้งอกตั้งใจประพฤติปฏิบัติหยผู้อยู่ก็ตั้งใจภาวนาเป็นโอกาสอันดีไม่คู่คนไม่เข้ามาเกี่ยวข้องพอผมมาอยู่นะคนก็หลายก็คงจะห่หางขาดหายไปเหมือนกันแต่ถึงยังไงก็นะต้องพยายาม ดูทางวัดอยากให้ปล่อยปลาละเลยจนเกินไปทางในวัดดูพยายามเดินดูผมเป็นห่วงอย่างเดียวก็คือพวกมิจฉาชีพเด็กบางคนมันอาจจะดื่วลันอาจจะขโมยเข้ามาพวกดักปลาดึกหาอะไรนักทาอย่างนั้นแหะขอให้พวกเราช่วยๆกันสอดส่องถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นก็นให้บอก หมวดติดปวดเอกก็เป็นตำรวจอยุ่นี่อยู่แล้วเป็นลูกศิษย์ลูกหาของเราอยู่แล้วเป็นกำลังของเราอยู่แล้วนั่นนะบอกเจ้าหน้าที่บัญเมืองเขาให้ช่วยช่วยกันดูอย่าไปปล่อยปล่าละเลยอย่าไปใช้ข่าไม่ใช่นาทีนาทีไม่ใช่ข่ากลัวเขาน่กลัวทำไมกลัวกิเลส่ไม่ต้องผมให้กลัวกิเลสนะทำอย่างไปกลัวกิเลสได้ยังไงให้มันถูกทำ ถูกทมถูกวินัยถ้าว่าใครมาเหยียบย่ำทำวินัยเหยียบย่ำไม่ได้มาเหยียบย่ำได้ยังไงเห็นไหมที่ผมพูดแต่ผมรู้ละผมไม่ได้ไว้ใครๆทั้งหมดถ้าเป็นหลักธรรมแล้วเดินไปสู่จุดนั้นเดินไปสู่จุดหลักธรรมรมวินัยนั่นนะศีลธรรมนั่นนะแต่สิ่งหดที่มันไม่ถูกและอยาให้กลัว ให้กลัวในสิ่งที่มันไม่ถูกอย่าพูดอย่าพูดอย่าคิดอย่าทำในจุดนั้นๆถ้ามันเป็นเหตุเป็นผลเป็นหลักธรรมคำสอนถูกตามหลักศีลธรรมจริยธรรมที่ดีแล้วเราไม่ต้องกลัวเดินเข้าไปสู่จุดนั้นชีวิตทั้งชีวิตของเรามอบกายแต่ไว้ชีวิตไว้ในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ มอบกายถวายชีวิตไว้กับคุณงามความดีไว้แล้วสิ่งอื่นเรื่องนอกพผะขอให้พวกเราทุกๆ ท, ท่านนะที่มาอยู่หรือว่าในขณะช่วงนี้เป็นช่วงที่หัวเลี้ยวหัวต่อที่พวกเราจะต้องไปทำงานแต่ผมคิดว่าคงจะเอาไปคงไม่มากคงไม่กี่องค์ เ ด, เดี๋ยวคงจะพูดกันในรายละเอียดอีกทีเนึ่งผู้ที่อยู่ก็ให้ดูตรวจตราดูว่าเต็นท์ของเรามีเท่าไรเราจะขนเต็นท์ไปยังไงแล้วก็ตะแค่ของเรามีมากไหมเราจะขนตะแค่ของเราไปได้ยังไงตู้เซฟละ่ะเราเคยเอาไปกี่ตู้แล้วติดกระดาษไว้เลยยังไงติดไว เท่าไรอะไรสิ่งเหล่านี้ผมก็เองก็อยากจะให้หมู่พกเพื่อนช่วยๆกันคิดอีกเหมือนกันนั่นแหะและจากท่นานขอเครื่องไทยธรรมถ้าเป็นไปได้วันพนุ่งนี้ผมอยากจะให้หมู่พกเพื่อนจัดผ้าไตรและก็ผ้าไม้ไว้ก็ดีเหมือนกันนะผมว่านะผ้าไตรของเรามีเท่าไหร่นับเข้าเอาไว้ผ้าไม้ของเรามีเท่าไหร่ เผื่อเราจะได้อทางนู้นเขาขาดเรือขาดตกเราก็จะเด็กขนไปเลยเอาไปทั้งหมดเลยไปทําบุญทําทานมันหมดไปเป็นหรอกผมไม่คิดว่ามันจะหมดเป็นเดี๋ยวมันมาเองอถ้ามันไม่มาก็ไม่เป็นไรมันหมดหมดอยากจะให้มันรู้เหมือนกันแหละหมดไปมันเป็นคื่ออะไรเพราะนั้นให้ช่วยๆกันดูนะแล้วก็พร้อมกันก็ MP3 ที่มาใหม่มันมีกี่กล่องกี่ตลับคงจะเอาไปแจกแจกทางนู้นบ้างแต่เขาคงจะไม่มากเท่าไหร่แต่เอาไปก็ดีเพราะว่าผมจะได้ไปอยู่ทางนู้นนานหลายวันเอาช่วงนั้นเอาช่วงสองแผ่น8ตลับเรือข้อควรจะเอาไปบ้างร้อ0สองรอันนอกกนั้นก็เอาใช้แบบแบบคู่คู่คู่คู่คไปเพื่อจแจก สำหรับคู่คนทั่วไปถ้าว่าผู้ที่สนใจไฟธรรมะจริงๆเราก็ให้เป็นแปดตลับไปอันนี้ก็อยากจะให้หมู่พกเพื่อนช่วยกันจัดดูนะทั้ง MP3 ทั้งของไทยทานที่เราจะไปถวายงานของหลวงปู่นั่นและแล้วก็ให้คิดๆกันไว้ว่าในเมื่อผมไปแล้วก็ให้ช่ว ย, วยกันเช็คว่ า, เ, าเต็นท์ของเราเนี่ย ใช้ได้เนเท่าไรประมาณเท่าไหร่ตะแคร่เนี่ยโดยประมาณเท่าไรเร า, เารจะบรรทุกรถยังไงไปมันต้องได้ใช้นะต้องได้ใช้แน่ๆละ่ะเพราะว่างานนี้เป็นงานของงานของเราพูดง่ายๆล้วอาจจะเป็นฝั่งฝอยในครัวอาจจะไปกลางกลุ่มเป็นเต็นเอาไว้สำหรับเลี้ยงอาหารพระ เรื่องอาหารคู่คนที่มาในงานที่ว่างานนี้เป็นงานเราเป็นเจ้าภาพก็ว่าได้เราจะไปหลบลหลีกหลีนี้ไม่ได้แล้สู้อย่างสุดๆสรุปแล้วมันเป็นไรหรอกเมื่อเราทำาดีแล้วความดีไปไหนมันก็เข้ามาหาสู่พวกเราท่านละเข้าสู่จิตเข้าสู่ใจของพวกเราผมทามาี้ผมไม่เคยคิดว่าผมล่มจมจิบหายนะ ทำเท่าไหร่ยิ่งจเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาเรื่อยๆอย่างองค์หลวงตาหมหาบัวท่านพูดท่านบอกเอาเถอะใครทำบุญออทำบุญสร้างบุญสร้างกุศล ส, สร้างไปในกรอบของศีลธรรมถูกตามหลักธรรมออการทำบุญควรจะทำสิ่งไหนจงไหนอย่างไรทำตามที่พระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแนะนำแล้วแล้วจิบหายบอกมา เราจะทืนเราจะคืนทุนให้ทำมผูนขนาดนั้นลงตามหาบัวทันท้า เ, เพราะนั้นเวลาการทำบุญสร้างบุญสร้างกุศลมันไม่เคยที่จะล่อยหลออับเฉาจิบหายลงไปมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่ความไม่ขาดไม่ฝันไม่ขาดไม่คิดไม่ฝันมันทะลักเข้ามาโดยที่ เ, <ม>เกินกว่าที่ที่เราจะคิดไว้ แต่ข้อสำคัญเมื่อเราทำอะไรอย่าไปคิดหวังนั่นเลยเราทำไปแล้วทำ ไ, ม, ไม่ได้คืออย่างโ้นอย่างนี้อย่างงี้นะก็ไม่ต้องคิดทำไปแล้วคือถูกต้องไหมนี่เหมาะสมไหมนี่เป็นธรรมไหมนีเออ่เท่านั้นล่ะ ว, วางลงไปเลยปลออูกลงไปเลยฝังลงไปเลยในเนื้อนาของพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าในการเสียสละออมันไม่ไปไหนหรอกออมีแต่เจริญงอกเงย ไม่มีความจีบหายวายปวง่ะถ้าว่าทํา hmm. เพื่อหน้าเพื่อตาเพื่อเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่อยศถาบรรดาศักดิ์อันนั้นแหละจีบหายจีบหายอืทําไปเท่าไหร่ก็นั่นแ่ละมันไม่นั่นแหล ะ, อะพอมองมองดูแล้วมันไม่ใช่ไม่ใช่ทะพูดง่ายฮะ กอให้พวกเราทุกๆท่านนะพูดทางนี้ทางนั้นให้ฟังหนึกันนะเป็นแนวความคิดของหลวงพ่อหลวงพ่อไม่ได้คิดแบบธรรมดาไม่ได้คิดแบบเอารัดเอาเปียบโลกวัตะสงสารไม่ได้คิดเอาเปียบบรัดเอาเปรียบใครผู้ใดใครผู้หนึ่งมีแต่บูชาเราเกิดมาในพื้นแผ่นดินไทยเกิดมาในร่มเ ง, งาของพระพุทธศาสนา เกิดมาในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์แนะนําสั่งสอนมาแต่ไหนแต่ไร เ, เราให้บูชาพระคุณของท่านเคารพกราบไหว้นอบน้อมอแล้วก็ทําตนคิดดีทดําดีพูดดีในตานในหลักธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้าหลวงพ่อมั่นใจความหายนะจะไม่มาแผ่วพานพวกเรามีแต่ความเจริญโดยส่วนเดียวนะต่อเ น, นี้ไปสุดท้ายปฏิโมก ยังคก็แยกย้ายกันนะ